ตลอดก่อนท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เมษาในสายนพุทธศักราชส5 5พันเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล บุญก็คือความสุขใจความอิ่มใจที่เกิดจากการถวายสังฆทานที่เกิดจากการใส่บาตรที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติอันนี้ทำแล้วจะทำให้เกิดความสุขใจเรียกว่าบุญส่วนกุศลแปลว่าความฉลาด ความฉลาดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นความรู้ที่เหนือความรู้ทั้งปวงในโลกนี้ผู้ใดได้ฟังธรรมได้รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเป็นคนฉลาดที่แท้จริงเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้า จะทำให้ผู้รู้และปฏิบัติตามได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีแต่ความสุขพบแต่ความสุขความเจริญจะไม่พบกับความทุกข์กับความเสื่อมเสียต่างๆไม่เหมือนกับความรู้ทางโลกต่อให้เรียนจบปริญญาเองก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆเจอกับ ความสุขที่เป็นความสุขปรอมความเจริญก็เป็นความเจริญปลอมเพราะมีวันเสื่อมและมีวันหมดไปแต่ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นของเราไปตลอดดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆ อย่างน้อยก็อทิษฐละหนึ่งครั้งตามธรรมเนียมของโบราณโบราณ น, นีเของมีวันพระไวส้สำหรับฟังเทศฟังธรรมวันธรรมัตสวนะวันพระเราจะเรียกว่าวันธรรมัสวนะธรรมัสวนะแปลว่าการฟังธรรมเวลาได้ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดมงคลแก่ชีวิต การเลนธรรมิสวนัมเอตัมมังกาลมุตตะมังการได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการเวลาก็คืออาทิย์ละหนึ่งครั้งเพราะเป็นกาลว่าผู้ครองเรือนยังมีภารกิจการทามาหากินอยู่จึงไม่สามารถที่จะมาวัดได้ทุกวันก็เลยอย่างน้อยพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ควรหยุดทำงานทำการสักหนึ่งวันแล้วมาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดกุศลความฉลาดเพื่อให้เกิดความสุขคือบุญจากการทำทานอันนี้จึงมีวันพระในสมัยโบราณก็ใช้ปฏิทินทางจันทรัคติดูการเคลื่อนไหวของดวงจันทร์มีวันขึ้นมีวันแรง วันพระก็จะเป็นขึ้นแรง8ปดข้างหรือ15บห้้งเนี่ยอันนี้เดือนหนึ่งก็จะมีประมาณสครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่สมัยนี้เรามาใช้ปฏิทินทางสากลใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดการทำงานวันพระจึงมักจะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราจึงต้องมาปรับ เปลี่ยนวันพระของเราวันฟังธรรมของเราให้มาเป็นวันเสาร์วันอธธาทิตย์แทนเพราะเป้าหมายก็เหมือนกันคือให้หยุดทำงานเพื่อที่จะได้มีเวลามาเข้าวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรายังถือปฏิทินเดิมอยู่รอให้ตรงกับวันพระพอเป็นวันพระมันก็ไม่ตรงกับวันหยุดการทำงานของเรา เราก็จะไม่ได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันเราจึงต้องมาปรับการเข้าวัดใหม่แทนที่จะเข้าวันขึ้นแรง8ปดค่ำสบห้าค่ำเรามาเข้าวัดพระเข้าวัดกันในวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ของพวกเราจึงเป็นวันพระของพวกเราที่เป็นคนยุคสมัยใหม่ยุคโลกาภิวัตต้องทันสมัย เราต้องพยายามเข้าวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลแต่สมัยนี้ก็เป็นยุคที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ทั้งวันเลยเพราะอย่างนี้เรามีสื่อไลสื่อด้วยกันมือถือนี่ก็เปิดฟังเทศได้ทั้งวันดังนั้นถ้าเรามีเวลาว่าง เราควรจะฟังบ่อยๆเพราะยิ่งฟังบ่อยก็จะฉลาดขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นถ้าอาทิตย์หนึ่งฟังครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ลืมได้แต่ถ้าเราฟังบ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังก็จะฝังอยู่ในใจของเราและเราก็จะได้นาความรู้นี้มาปฏิบัติมาสร้างความสุข สร้างความเจริญให้แก่ชีวิตของพวกเรายังความสุขนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่ามีสุขสองแบบสุขทางร่างกายกับสุขทางจิตใจสุขทางโลกกับสุขทางธรรมสำหรับคารว่าผู้ของเรือนี้ก็จะหาความสุขทางโลกทางร่างกายส่วน ผู้ออกบวชบรรพชิตนี้ก็จะหาความสุขทางธรรมคือหาความสุขทางใจความสุขทั้งสองนี้มีความสุขทางธรรมนี้เหนือกว่าความสุขทางโลกเพราะเป็นความสุขที่จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดแต่ความสุขทางโลกทางร่างกายนี้ก็จะมีวันอันหมดไปเมื่อร่างกาย ถึงแก่ความตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรายังไม่สามารถเข้าสู่ความสุขทางธรรมทางใจได้อย่างน้อยเราก็ควรจะรู้จักวิธีหาความสุขทางโลกที่จะทำให้เราปลอดภัยจากทุก์จากเรื่องวุ่นวายต่างๆได้ความสุขทางโลกความสุขของผู้ครองเรือนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่า มีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ 2. ความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์สความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้และ 4. ความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่เกิดโทษนี่คือความสุข4ี่ประการสำหรับผู้คองเรือน ที่ควรที่จะนำเอาไปพิจารณาและปฏิบัตินข้อหนึ่งนี้ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์อันนี้พวกเราคงไม่ปฏิเสธกันวันสิ้นเดือนวันหวยออกนี่ยิ้มกันทุกคนเวลาได้ทรัพย์ได้ถูกรัตตรี่กันแต่การได้ทรัพย์นี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ได้มาแล้วไม่เกิดโทษก็มี วิธีที่ได้มาแล้วเกิดโทษก็มีและวิธีที่ได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรก็มีวิธีที่ได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้เคยทำบุญมาในชาติก่อนถ้าเราได้ทำบุญทำทานมาชาติก่อนเวลาเราได้มาเกิดเราก็จะได้มาเกิดเป็นลูกของคนมีทรัพย์ของคนร่ํารวย ไม่ต้องไปหาทรัพย์เองเกิดมาเป็นลูกคนรวยนี่สบายไหมไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องทำงานมีพ่อมีแม่ให้เงินทองใช้สอยอยู่ตลอดเวลาอันนี้ทางศาสนาเราบอกว่าเป็นผลที่เกิดจากการได้ทำบุญมาในชาติก่อนๆทำมากก็มาเกิดก็จะรวยมากทำน้อยมาเกิดก็จะรวยน้อย ถ้าไม่ทําเลยก็จะไม่รวยอันนี้ก็คือเรื่องของการมีทรัพย์การได้ทรัพย์อันนี้มันอดีตมันผ่านไปแล้วเราย้อนกลับไปไม่ได้ย้อนกลับไปทําบุญไม่ได้ถ้าเราเกิดมาชาตินี้เราเราเกิดมาไม่รวยไม่ได้รูปเป็นลูกของคนรวยเราก็มีวิธีสําหรับชาติต่อไปถ้าเราเชื่อว่าการทําบุญนี้ทําให้เรารวย ในชาติต่อๆไปเราก็ต้องเริ่มทำบุญกันในชาตินี้แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปใช้ของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นเอามาทำบุญดีกว่าเพื่อที่ในชาติต่อไปข้างหน้าเราจะได้เกิดมาเป็นลูกของคนรวยอันนี้ก็คือการได้ทรัพย์วิธีหนึ่งแล้วสำหรับชาตินี้ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่รวยเราก็ยังสามารถรวยได้รวยได้อย่างไร ก็รวยด้วยความขยันหมั่นเพียรรรมาหากินหาวิชาความรู้ที่จะเป็นเครื่องมือให้เราท ร, รมาหากินได้เงินได้ทองมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วต้องมีความขยันต้องมีความรู้ความฉลาดถ้าไม่รู้ก็ไปเรียนหนังสือจะได้รู้วิธีท ร, รมาหากินแล้วก็ต้องเป็นการท ร, รมาหากินที่สุดจริษ ไม่ทุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเพราะถ้าเราไปทำบุญไปทำมาหากินที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายแทนที่จะได้ความสุขจากทรัพย์ที่เราได้รับมาเราก็จะได้ความทุกข์กลับมาเพราะว่าเวลาทําผิดกฎหมายแล้วเราจะไม่สบายใจเวลาทําผิดศีลเราจะไม่สบายใจถึงแม้จะได้เงินทองมาก็ตาม แต่ใจมันจะไม่ไม่รู้สึกสบายใจกลัวจะถูกจับได้กลัวจะถูกจับไปลงโทษดังนั้นการจะหาทรัพย์เราต้องหาด้วยวิธีสุดจริตเราถึงจะได้มีความสุขจากทรัพย์ที่เราหามาได้ทำหมากินอย่าไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายอาชีพที่ผิดศีลธรรมแล้วเงินทองที่เราได้มานี้จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียว จะไม่มีความทุกข์ใจนะนี่คือวิธีการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาที่จะทำให้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์ถ้าเราเคยทําบุญมาในอดีตเราก็จะเกิดมามีทรัพย์รอเราอยู่ถ้าเราไม่มีทรัพย์รอเราอยู่เราก็ต้องทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมาย ถ้าไม่มีความรู้ก็ไปเรียนรู้เสียไปตั้งใจเรียนหนังสือคนที่มีการศึกษามากจะมักจะมีความสามารถที่จะหาทรัพย์ได้มากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อยคนที่จบปศีงี้สู้คนที่จบมหกไม่ได้คนที่จบมหกสู้คนจบปริญญาไม่ได้เวลาไปสมัครงานนี้เขาจะดูวุฒิความรู้ของเรา ถ้าจบป .4 ก็ให้ไปเป็นพารโรวเงิงนเดือนก็ขั้นต่ำวัละสาร้อถ้าจบม .6 ก็จะไดง้งานที่ดีขึ้นกว่าหน่อยถ้าจบปริญญาก็จะได้ยิ่งงานที่ดีกว่าคนที่จบม .6 รายได้ก็มากกว่างานก็สบายกว่ายิ่งมีความรู้มากยิ่งไม่ต้องออกกำลังกายมากให้ใช้กำลังความคิดกับใช้มือเขียนหนังสือเทานั้นเอง คนที่มีความรู้น้อยต้องแบกต้องหามต้องกวาดต้องถูถึงจะได้เงินได้ทองมาดังนั้นการจะมีทรัพย์ก็มีได้หลายวิธีขอให้เราพิจารณาตัวเราว่าตอนนี้เรามีทรัพย์แบบไหนถ้าเรายังไม่มีทรัพย์เราไม่ได้เกิดมาเป็นลูกของคนรวยถ้าเรายัางอยู่ในวัยที่ต้องเรียนหนังสือก็อไปเรียนหนังสือตั้งใจเรียน ให้มีความรู้ความฉลาดเรียนให้เก่งๆอาจจะได้รับทุนการศึกษาต่อไปด้วยพนที่เรียนเก่งนี้บางทีไม่ต้องเสียเงินทองของพ่อแม่ไปสอบชิงทุนได้ในหลวงก็ให้ทุนอนันตธรมหิโดลใครเรียนเก่งนี้ไปสมัครทุนอนันต์ได้ได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาทุกสิ่งทุกค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างในหลวงจ่ายให้หมด แล้วก็ไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องกลับมาใช้ทุนแต่อย่างใดในหลวงคิดว่าการทำให้คนมีความฉลาดนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะคนที่มีความรู้นิจจ์ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นจะมีแต่สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี่คือการมีทรัพย์ ที่จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้คลองเรือนสองเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ต้องใช้ทรัพย์ถ้าได้ทรัพย์มาแล้วหวงเป็นปู่โสงเฝ้าทรัพย์ทรัพย์ที่ได้มาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นคนตนีขี้เหนียวไม่กล้าใช้เงินใช้ทองกลัวจะหมดกลัวจะยากจะจนก็เลยอยู่แบบคนจนทั้งๆที่มีเงินต้องมากมายก่ายกองการมีทรัพย์ก็เลยไม่ได้เกิดประโยชน์ เพราะว่าไม่ได้ใช้ซั์การใช้ทรับนี่ก็ทำให้เราเกิดความสุขได้ถ้าเรารู้จักใช้ในวิธีที่ถูกต้องใช้ทรับอย่างไรเป็นวิธีที่ถูกต้องก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราและเกิดประโยชน์กับผู้อื่นนั่นเองก็ประโยชน์กับตัวเราคืออะไรก็คือปัจจัยสี่เราต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหง่มมีที่อยู่อาศัยยารักษาโรค อเรามีทรัพย์แล้วเราก็ต้องใช้ซื้อปัจจัยสี่มาเพราะถ้าร่างกายของเราขาดปัจจัยสี่ก็จะ เ, เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายได้เราก็ต้องใช้ทรัพย์เพื่อดูแลรักษาร่างกายของเราอย่าไปใช้ทรัพย์ที่เกิดโทษใช้ทรัพย์ที่เกิดโทษใช้อย่างไรใช้แบบสุรุย่ยสุราย ใช้แบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้กับความอยากต่างๆอันนี้จะเป็นโทษเพราะว่าใช้ทรัพย์แบบนี้แล้วมันจะใช้มันจะติดแล้วมันจะไม่พอใช้ต่อให้มีเงินมากน้อยเท่าไหร่ถ้าใช้ตามความอยากแล้วเดี๋ยวเงินก็หมดได้เวลาเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อเลยเห็นอะไรชอบก็ซื้อเลยทั้งๆที่ไม่มีความเจริเป็นจะต้องซื้อ เสื้อผ้าก็มีล้นตู้อยแล้วพอเห็นเสื้อผ้าสวยอยากได้ก็ซื้อเลยเห็นรองเท้าสวยก็ซื้อเลยเห็นของอะไรสวยก็ซื้อเลยทั้งทั้งที่ไม่รู้จะซื้อมาไปทำอะไรแต่เพราะว่าถือว่ามีเงินแล้วก็เลยใช้แบบนี้ถ้าใช้แบบนี้ต่อไปมันอาจจะหมดได้เพราะมันจะติดนิสัยแล้วยิ่งถ้าไปใช้กับของที่เป็นโทษเช่นเล่นการพนันนี้ เล่นการพนันนี้จะมีโอกาสหมดเนื้อหมดตัวได้เพราะเวลาได้ก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็จะไม่มีวันหยุดเล่นการพนันแล้วในที่สุดก็ต้องเสียแล้วก็ต้องหมดไปหมดเนื้อหมดตัวต้องขายบ้านขายที่ดีไม่ดีต้องขายตัวไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะมาเล่นต่อแล้วพอไม่มีเงินใช้เขาเขาก็เอา เอาตัวไปฆ่าไปฆ่านี่ก็เกิดจากการใช้เงินทองที่เกิดโทษอย่าไปใช้เงินในทางอบา ย, ยมุขโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนันเดิมสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูมหรสบบันเทิงต่างๆคบมิตรคบคนชั่วเป็นมิตรจะถูกเขาลอกคราบ เขาจะมาหลอกเรามาสรรเสริญเยืนยอเราแล้วก็หลอกให้เราใช้เงินไปในทางที่ผิดแล้วในที่สุดก็จะหมดเนื้อหมดตัวได้นั้นเวลาใช้เงินต้องรู้จักใช้เงินใช้ให้เกิดประโยชน์จะได้มีความสุขใช้กับตัวเราแล้วก็ถ้าอยากยังมีเหลืออยู่ก็เอาไปใช้กับผู้อื่นเรียกว่าเอาไปทำบุญทำทาน เพื่อจะได้เป็นทรัพย์ภายหน้าถ้าหน้าเรากลับมาเกิดเราก็จะได้รวยเหมือนชาตินี้ต่อไปหรืออาจจะรวยกว่าชาตินี้ก็ได้ถ้าเราทำมากกว่าชาติก่อนชาตินี้ถ้าเราทำมากกว่าชาติก่อนชาติหน้าเราก็จะรวยกว่าชาตินี้นี่คือวิธีใช้เงินแล้วทําให้เกิดความสุขเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการใช้เงินนะ ข้อที่สามความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินหนี้สินนี่พอมีแล้วมันจะทาให้เราทุกข์ใจเพราะจะถูกเข้ามาตามทวงอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่มีให้เขาเขาก็จะขู่เขาก็จะดา่าเขาก็จะว่าเราแล้วเขาก็จะในที่สุดก็จะมายึดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่วิธีที่จะทำให้เราไม่มีหนี้ ก็คือเราต้องยึดหลักมักน้อยสันโดษนะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราอยู่กันแบบมักน้อยสันโดษถ้าเราอยู่มักน้อยสันโดษได้ไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยเราจะไม่ต้องมีหนี้สินนะแต่ถ้าเราไม่มักน้อยสันโดษต่อให้มีมากก็ยังมีหนี้สินได้เพราะความโลภจะทําให้เราอยากได้มากขึ้นกว่าที่เรามีอยู่แล้วก็จะทําให้เราต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อมาลงทุนขยายกิจการนึกอทำอะไรต่างๆแล้วถ้าทำพลาดไปก็มีโอกาสหมดตัวได้ถ้าทำไปแล้วไม่กำไรขาดทุนก็อาจจะต้องปิดบริษัทได้ดังนั้นอย่าไปโลภมากชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่ความร่ารวยเป็นเป็นหลักความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่ความร่ารวยเป็นหลักความสุขอยู่ที่เรามีทรัพย์พอที่จะเลี้ยงดูชีวิตร่างกายของเรา ให้อยู่ได้อย่างปกติสุขแล้วมีทรัพย์ไว้สำหรับทาบุญทำทานทำประโยชน์แก่โลกทำประโยชน์แก่สังคมถ้ามีก็ทำถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่อย่าไปโลภเพราะโลภแล้วมีโอกาสที่จะพลาดได้คนอยากจะได้เงินก็เลยไปกู้หนี้ธนาคารเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ไปวางข้างประกันไว้แล้วก็ไปลงทุน ทำกิจการอะไรบางอย่างถ้าพลาดไปนี่ก็อาจจะต้องถูกเขายึดทรัพย์กลับไปยึดทรัพย์ไปทรัพย์ที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่โลภมันก็ยังเป็นของเราอยู่ถ้าเราสันโดษยินดีตามฐานะตามมีตามเกิดของเราตอนนี้เรามีกินมีใช้ระดับนี้เราก็ไม่เดือดร้อนแนะ้วทำไมเราจะต้องไปอยากล่ามอยากรวยเหมือนคนอื่นเขา เห็นเขามีรถราคาแพงๆก็อยากจะได้เห็นเขามีบ้านใหญ่ๆโตๆก็อยากจะได้มันไม่มันไม่สคัญหรอกบ้านใหญ่บ้านโตบ้านเล็กบ้านน้อยมันก็เป็นบ้านไว้สำหรับห ล, ลบแดดหลบฝนเท่านั้นเองตัวเราก็แค่เล็กนิดเดียวใส่ไปในโรงนี้ก็ไม่ใหญ่มากมายทำไมต้องมีบ้านใหญ่โตเป็นกคราหรหัสใหญ่โตยิ่งบ้านใหญ่เท่าไหร่ก็ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากเท่านั้น ต้องจ้างคนมาทําความสะอาดจ้องจ้างยามารักษาดูแลต้องเสียค่าน้ำค่าไฟอะไรมากมายก่ายกองการใช้เงินแบบนี้จะทำให้เราล่มจมไม่ใช่ทำให้เรามีความสุขความสบายเะฉนั้นต้องรู้จักใช้เงินต้องระมัดระวังใช้ความมักน้อยสัมโ ด, ดมักน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นก็พอ มีบ้านเล็กๆพออยู่ได้ก็พอมีอาหารธรรมดากินตามข้างถนนหรือกินตามตลาดก็ได้หรือซื้อกับข้าวมาจากตลาดแล้วมาทำกินที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปกินตามร้านอาหารหรูๆ ห, หลาๆโรงแรมใหญ่ๆตโตๆกินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันกินเข้าไป50บาทก็อิ่มกินเข้าไป500ก็อิ่มแต่ต้องเสียหอย ถ้ากินห้าสิบยังมีอีกสี่ร้อย้าสิบยังเก็บไว้กินได้ต้องเก้าวันถ้ากินห้าร้อยก็กินได้วันเดียวนี่คือความมักน้อยสันโดษจะทำให้เรามีเงินพอใช้จะทำให้เราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพราะเวลาเป็นหนี้แล้วมันจะไม่สบายใจมันจะกังวลมันจะห่วงกู้เข้ามาแล้วจะใช้เขาได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ทรัพย์ หลักทรัพย์ที่เราไปค้ำประกันไว้ก็อาจจะถูกเขายึดไปแต่ถ้าเราไม่โลภมากเราไม่ไปกู้หนี้ยืมสินทรัพย์สมบัติที่เราม่อยู่ก็ยังจะเป็นของเราอยู่ต่อไปนี่คือเรื่องของการไม่มีหนี้เป็นความสุขอย่างนีง้งพยายามอย่าไปใช้เงินเกินตัวอย่าไปโลภอยากได้มากทำมาหากินอย่างปลอดภัยดีกว่า ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนถ้าจะขยายกิจการหรือจะทาอะไรก็เอาเงินของเราที่เรามีอยู่นี้ไปทำอย่างน้อยถ้าถ้าหมดก็หมดมันมันก็หมดไม่มากเหมือนกับไปกู้หนี้ยืมสินเขานี่คือเรื่องของความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินและข้อที่สี่ความสุขที่เกิดจากการไม่การกระทำที่ไม่เกิดโทษ การกระทำของเรานี้ก็มีผลตามมาทำแล้วเกิดคุณก็มีทำแล้วเกิดโทษก็มีทำแล้วไม่เกิดคุณเกิดโทษก็มีให้เราเลือกทำสองอย่างคือทำอย่างที่เกิดคุณและทำที่ที่ไม่เกิดคุณหรือไม่เกิดโทษแต่อย่าไปทำการกระทำที่ทำให้เกิดโทษการกระทำที่เกิดโทษเป็นอย่างไรก็เช่นไปทำผิดกฎหมายไปทำผิดศีลธรรม ไปเสพอบายยาคุกเช่นยาเสพติดสุรายาเมาของพวกนี้เมื่อเสพแล้วมันจะเกิดโทษกับร่างกายของเราและเกิดโทษกับทรัพย์ของพวกเราเพราะพวกนี้จะดูดทรัพย์ของพวกเราไปให้หมดแล้วเราจะเดือดร้อนถ้าทำผิดกฎหมายก็มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางได้ดงั้นการกระทำอะไรไม่ว่าจะการหาทรัพย์ ไม่ว่าการใช้ทรัพย์หรือการจะสร้างหนี้สร้างสินก็ต้องระมัดระวังอย่าทำแล้วให้มันเกิดโทษกับเราอย่าไปมีทรัพย์อย่าไปมีหนี้มีสินให้ใช้ความอดทนอดออมเอาไว้อยากจะได้อะไรตอนนี้ยังไม่ได้ก็เก็บเงินไว้ก่อนพอมีเงินพอแล้วค่อยไปซื้ออย่าไปซื้อแบบผ่อนเพราะจะเสียดอกด้วยถ้าเก็บเงินไว้ในธนาคารไว้ก่อน ยังมีดอกเพิ่มขึ้นมาอีกแทนที่จะเสียดอกกลับได้ดอกเวลาซื้อของก็จะถูกกว่าเวลาซื้อเงินผ่อนซื้อเงินสดนี่มันจะถูกกว่าซื้อเงินผ่อนเพราะว่าไม่มีดอกและเราได้ดอกจากเงินที่เราเก็บออมไว้ในธนาคารก็เลยไม่ต้องเสียมากกว่าถ้าไม่ได้ฝากไว้ในธนาคารนี่คือความสุขของผู้คลองเองิน ที่พระเจ้าทรงชี้ทรงสอนให้พวกเราที่เป็นผู้ครองเรือนได้นำเอาไปปฏิบัติกันแต่ถ้าเราเบื่อกับชีวิตของผู้ครองเรือนก็ยังมีความสุขอี ก, อ ก, อกแบบหนึง่งคือความสุขของผู้ที่บเเาเพ็ญเรียกว่าบำเพ็ญพรหมจรรย์คือเป็นนักบวชเช่นผู้ที่ไปอยู่วัดถือศีลแปด ไปรักษาศีลแปแล้วก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้ก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองความสุขที่ไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้ความสุขทางโลกนี้ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถึงจะสามารถหาความสุขได้ ถ้าแก่ถ้าเจ็บถ้าตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้แต่ความสุขทางธรรมความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเพียงทําใจให้สงบด้วยสติเท่านั้นพอใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนจะไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนเพราะความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกาย นั่งกายจะทุกข์ขนาดไหนใจก็ยังมีความสุขได้อันนี้สำหรับผู้ที่เบื่อกับการหาความสุขทางโลกก็จะเข้าหาความสุขทางธรรมมาอยู่วัดรักษาศีลแปดว่านพระสวดม น, นต์เจริญสติทำใจให้สงบทำใจให้จะลายทำลายต้นเหตุของความไม่สงบของใจก็คือความอยากต่างๆ แล้วก็จะมีความสุขไปตลอดแม้กระทั่งร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็ยังมีความสุขนี้อยู่ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้ทางร่างกายที่ได้จากทรัพย์จากการใช้ทรัพย์เวลาตายไปแล้วความสุขเหล่านี้จะหายไปหมดเลยเวลาแก่ก็หายไปแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไปแล้วดังนั้นขอให้เรา ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะฉลาดเราจะได้กุศลแล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขหรือมีความทุกข์น้อยอมีความทุกข์น้อยหรือไม่มีความทุกข์เลยอยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติ ถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติก็ยังไม่เกิดประโยชน์รู้แล้วต้องปฏิบัติส อ, สอนให้เรามักน้อยสันโดษเราก็ต้องมักน้อยสันโดรงสอนให้เราขยันหมั่นเพียรทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองด้วยความสุดจริตก็ต้องทำตามส อ, สอนให้เราทำบุญเพื่อเราจะได้สุขได้สบายในภพที่จะตามมาต่อไปเราก็ต้องทำ สรงสอนให้เราละเว้นจากการเสพอาบายมุกต่างๆเราก็ต้องทาถ้าเราทำตามคำสอนต่างๆที่พระเจ้าท่งสอนได้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ยเดียวจึงขอฝากเรื่องของกายมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการทำบุญให้ทางด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี้ ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก้าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและมุลกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนัสุขาภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ <c oughs>